ก็พรุ่งนี้นะครับก็พร้อมที่จะลงยานไปกับพวกเราเชาวเทลิคอนเนียรหรือยังนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมมางานเทลิคอนเนียร์ฟูลเฟสิวัลครั้งนี้นะครับมาในทีมของ UFO นะครับยังไงก็เรียนเชิญมาร่วมงานแกรนเยเดอะๆนะครับมีหลายเชฟเลยจะมีประมาณ47เชฟได้เลยนะครับยังไงก็มาเจอกรนเเอนะครับ